สิขาบทวิพังหนึ่งพันยีาคำว่าอนหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอ น, นึ่งใดคำว่าพิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าพิกษุนีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าพิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่ารู้อยู่คือพิกษุณีรู้เองคนเหล่าอื่นบอกเธอพิกษุณีเหล่านั้นบอกอาราม ที่ชื่อว่ามีภิกษุคือสถานที่มีภิกษุอาศัยอยู่แม้ที่โคนต้นไม้คําว่าเข้าไปสู่อารามโดยไม่บอกคือไม่บอกกล่าวภิกษุสมณีนหรือคนวัดเมื่อล่วงเขตอารามที่มีรั้วล้อมต้องอบัตรปายจิตตีเมื่อล่วงสู่อุปจารแห่งอารามที่มีรั้วล้อมต้องอบัติปายจิตตี